ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยท่านฟังตั้งแต่หรือฝันไม่จบก็แต่จนกระทั่งที่เราจะ แต่ว่าเวลากินทีไรเนี่ยเราจะรับรู้เป็นเค้าเรียกว่าใช้ใช้ประสาทสัมผัสอันเดียวแต 100% เลยเหมือน ลิ้นไปแตะใบไม้ดูอันนี้มันกินได้มั้ยอะไรไม่ได้มั้ยไหนก็เพื่อว่าว่า เริ่มกันตั้งแต่ตอนที่ก่อนเราจะไปตักอาหารด้วยซ้ําตั้ง ไม่กินนะเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาไม่กินเพื่อประดับแต่แต่กินเพียงเพื่อเพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อเพราะบางทีอาหารมาเนี่ยอันคือบางที น่ะก็ได้เหมือนกันนะประเด็นคือว่าคนไม่ได้กินอาหารที่ตัวเองถูกปากนะก็เลยเวทนา กินได้หลายประเภทหนึ่งเวทนาอีกประเภทหนึ่งต่อไปในยกตัวอย่างเช่นคนที่เอ่อรับประทานเนื้อสัตว์มาอย่างเงี้ยอาทิตย์นึง 2 อาทิตย์อย่างเงี้ยคุณมีเวทนาอยู่ นะพอไปกินหมูกินเนื้อกลับมากินครั้งลิ้นแต่หมูแต่เนื้อเคี้ยวก็ไปสักกลิ่นสักคํา 2 คําเนี่ยไอ้ แล้วมันอยู่ที่ว่ามันถูกธาตุกับเรามั้ยมันถูกปากเรามั้ยมันถูกพอ แล้วก็เป็นเวทนาใหม่เกิดขึ้นดังนั้นกินเนี่ยรับประทานเนี่ยทาง 2 ประสงค์เวทนาเก่าอาจจะหมายถึง แล้วเราพิจารณารับประทานตั้งแต่ตอนที่เราตักข้าวเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินกินไปอ๋ออาหารใส่ปลาเคี้ยวกรุบ นะหรืออันนี้มันมีส่วนผสมของคอลลาเจนกินน่าจะดีจะได้สวยอยู่ในลักษณะของการกินใน นิมิใช่ว่าเราไปสังเกตเอาจิตของเราน่ะเป็นลักษณะของคารวะที่ยังชุ่มอยู่ในกามอันนี้ก็ถูกอยู่น่ะเป็นเป็นของคารวะเค้า เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่พระเจ้าใช้สับกันว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอาจจะหมายถึงพระสงฆ์ก็ได้หมายถึงชีก็ แม่เจ้าอันนี้จิ้มกับอันนี้น้ํา เราDon't throw อ่ะ 2 มันไหลไปตามลิ้นตามความคิดอันนี้ๆๆคือจิตเราไหลไปตามความดับไหนกินไปไหน เอ่อไปกินตรงนี้ผสมกับอันนั้นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นั้นในเรื่องของการกินนี่ แต่เพื่อดับเวทนาเพื่อเราจะรู้ว่าอาหารนี้ดับเวทนาเวทนามันดับไปหรือยังจะต้องจออยู่ที่พอกินกินเข้าไปอยู่ในท้องด้วยนะพอรับประทานเสร็จแล้วอิ่มแล้ว นะบางคนก็อิ่มแบบที่คิดว่าถึงลิ้นปี่แล้วจึงค่อยอิ่มอย่างงี้บางคนก็ถึงคอหอยนู่นน่ะถึงค่อยอิ่มอย่าง 3/4 นะหรือว่าเอ่อ 3/4/5 อย่างงี้ให้มันมีช่องว่างเหลืออยู่เพื่อที่จะมีเค้าเรียกว่าปฏิกิริยา 4-5 คําก่อนที่มันจะเต็ม นะก็ก็ลักษณะเดียวกันกับที่ผู้ชาวตะหลัดไว้คือให้มีช่องว่างอยู่ในท้อง 2 ก็คือ everyman ก็กินอย่างที่ว่าที่ว่าให้มีช่องเหลืองหรือวิน ก็กลับเห็นจริงๆผมก็สะสางอาดอยู่นะล้างสะอาดอยู่ทําความสะอาด อย่าไปนอนเลยไปนอนเลยเดี๋ยวบังโคนก็อึนอิ่มเสียปกว่านานแง้งแม่งนะขยับไปขยับมานะๆทํางานดี เพราะฉะนั้นรับประทานอาหารเราก็พิจารณาซะก่อนนะในทุก ทaat ระหว่างรับประทานอาหารก็ให้จิตของเราอยู่กับเวทนาอย่าให้ไหลไปตามความคิดนึกต่างๆนะรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะก็ให้รับประทานอาหารชนิดที่ว่าอย่าเต็มเกินนะให้อิ่มในลักษณะที่ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ คุณค่าทางใจใจก็สบายด้วยร่างกายก็ดีไม่ย่อท้อต่อการทําความเพียรทําความเพียรแล้วดีเพราะฉะนั้นการที่ นะหรือว่าถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั้นเดินไปเดินไปนะเดินเมื่อเมื่อแล้วก็นั่งก็ได้อย่างซึ่ง นะ, ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพระอนาคามีนะหมายความว่าการที่เราละเรื่องอาหารละกามพิจารณาอย่างที่บอกเนี่ยนะจะทําให้เอ่อ 3 ครั้งครั้งละ 3 เที่ยวก่อนระหว่างหลัง นะตั้งแต่ตอนเช้าก่อนเข้าที่ทํางานหรือนะระหว่างก่อนกินระหว่างกินนะหลังกินและพิษแตนที่วานนี้